ใครพิจารณาเรื่องขันหรือว่าเจริญวิปัสนาแบบขันเนี่ยมากเมื่อวานพูดถึงคัชจเนยสูตรเนยใครมีความรู้สึกว่ารูปเนี่ยมันกินตลอดเวลาลนะลถูกรูปกินเลยอดีตก็ถูกรูปกินมาแล้วปัจจุบันนี้ก็กำลังรูปเนี่ยเคี้ยวกินอยู่อนาคตต่อไปถ้ามีรูปเอ ก, ก็ก็ถูกเคี้ยกินอีกนั่นะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะปัจจุบันนี่ถูกมันเคี้ยวกินอยู่คือตัวมันเองเคี้ยกินกันเองด้วยนะขันท่าเนี่ยมันเคี้ยกินกันเองเห็นในอดีตก็ขันเหล่านี้ก็ถูกเคี้ยวกินในอนาคตก็ก็จะเคี้ยกินกันอีกผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆก็เรียกว่าพิจารณาโดยทุกขลักษณะเนี่ยนะทุกขลักษณะ นี่ต่อไปมาดูอีกสูตรอนึงเลยนะบินโดระยะสูตรสูตรนี้พาว่าให้ตรงก็เหมาะกับพระภิกษุนะนคารวะก็เอาไปประกอบการพิจารณาเพื่อจะได้เห็นชัดว่าถ้าสาวกของพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติอย่างไรการเรียนธรรมะเราไม่จำเป็นต้องต้องไปคิดว่าเมื่อเรียนสูตรไหนแล้วเราจะต้องทำได้อย่างนั้นทุกสูตร เพถ้าเรียนอย่างนั้นเจริญพุทธคุณไม่ได้เช่นว่าโอ้โหเรียนอาสาธารณนยานแล้วเราต้องมีอาสาธารณนยานด้วยเดือดร้อนแน่นะเฉพาะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นให้เรียนแบบให้เห็นคุณของพระรัตนตรยัยสูตรบางสูตรให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าสูตรบางสูตรก็คือเห็นคุณของพระธรรมบางสูตรก็เห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ น, งนะเราก็จะได้มีใจที่มั่นคงต่อพระพระรัตนตรัยมากขึ้น ต้องไม่ลืมว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ธรรมน่นะโดยเฉพาะมรรคแรกคือโสดาปฏิมรรคเนี่ยมากไปด้วยสัดทินรีนะเียนะเป็นกลุ่มที่มากไปด้วยสัดทินรีเพราะฉะนั้นศรัทธาธุระเนี่ยควรจะให้ให้ความสาคัญเป็นอย่างมากอย่างสูตรนี้จะได้เห็นความปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยนะแล้วก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้าด้วย ว่าพระองค์นี้เป็นปุริสธรรมสารติจริงๆคือเป็นผู้ฝึกบุรุษจริงๆนะฝึกบุรุษเขาเรียกว่าบุรุษแบบไหนเข้ามาก็ฝึกได้วันนี้ดูสูตรหนึ่งชอบใจนะคือจเจ้าปารายนาวัคกนะสูตรว่าพรามภาวรีนี่เขามีลูกศิษย์สิคนไอ้ลูกศิษย์สิบหกคนนี่จะมีลูกศิษย์คนพันคนละพันก็16ื่นทีนี้พรามภาวรีเนี่ยเขาจะสอนลูกศิษย์ปกติประจําอยู่500 เขบอกว่าลูกสิธย์กลุ่มไหนะที่พรามณ์าวรีสอนเขาบอกว่าพวกที่โง่กับพวกขี้เกียจทั้งหลายแลเนี่ยพราหมณ์าวรีจะสอนเองแสดงว่าอาจารย์ใหญ่จริงๆก็สอนสิษย์โง่นะแต่ว่าเราก็สิษย์เหล่านั้นนะตอนหลังบรรลุเหมือนกันหมดบรรลุเป็นพระโสดาบันหมดเลยนี่นะพราหมณาวรีบรรุเป็นพระนาคามีเมนะไอสิทธิ์ที่ลยอยถ้วยเหล่านั้น่ะที่คนอื่นเขาไม่เอาและอาจารย์ใหญ่สอนเองเนะี่ยบรรุเป็นพระโสดาบันกันหมดเลย บรรลุยกชั้นกันหมดเลยของเรานี้แต่ละสูตรถ้าได้ฟังเข้าใจยกชั้นทุกสูตรทุกสูตรไปเนี่ยนะก็ได้อุปนิสัยแล้วทีนี้ถ้าผู้ที่ได้อุปนิสัยแล้วนะโดยโดยใจจริงก็ไม่ค่อยห่วงกะถือว่าถ้ามีบุญที่ได้สะสมไว้แล้วนะอนุภาพของบุญเก่าถึงตกอับยังไงนะพระพุทธเจ้าก็จะสงเคราะห์นะอย่าง ถ้าคนมีบุญเก่าจริงๆเลยนะแม้แต่เป็นกบอยู่พระ อ, องค์ก็ยังหาทางช่วยเหลือจนได้เนี่ยนะหรือไปเป็นสุนัขหรือเป็นอะไรก็ตามหรือจะเกิดในในที่ใดๆก็ตามเนี่ยนะพระ อ, องค์จะคือถ้ามีบุญเก่าอยู่แล้วนะพระ อ, องค์จะหาทางช่วยจนได้แต่ถ้าตรวจ ด, ดูแล้วของเก่าไม่มีซากอย่างเลยนะมืดหมดเลยนึกไม่ออกเลยถ้ายัางไ้ก็น่าเห็นใจมากของเราก็อย่างน้อยก็สะสมบุญเก่านะ ถ้าวิปัสนาภูมิก็ขันทวารวัคเนี่ยหรือเรื่องขันนี่ก็ให้มาได้สักอย่างไปหรือเรื่องรูปเรื่องอะไรก็ได้นขอให้พอใจแม้แต่สูตรเดียวนะใครที่ฟังทำเนี่ยชอบใจสักสูตรหนึ่งที่จะไปสาธยายไปตรึกไปเพ่งไปพิจารณาเนี่ถ้าถ้าขอส่วนตัวเนี่ยถือว่าพอใจมากแล้วเพราะว่านั่นแหละจะเป็นวาสนาต่อไปที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์กันนะ เพราะว่าเท่าที่สังเกตก็หลายคนก็ไม่ค่อยร้อนในวัตฏะเท่าไหร่นะ ก, ก็อย่างน้อยก็ได้อุปนิสัยไปก็ยังดีหลายๆแห่งที่ไปเนี่ยก็ปรารถนาถ้าเขาได้ฟังสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะหรือว่าฟังคําประกาศคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเขารู้คุณแล้วก็มีจิตเลื่อมใสนะแค่นั้นก็พอใจและ้ะเขาถือว่าเขามีอุปนิสัยและนะนะที่ที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่า ยังจะมีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ข้างหน้าอีกหลายองค์แต่ถ้าหากว่าพบนี้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะไม่มีอุปนิสัยเลยก็จเจริญการุณาเอาไว้ให้มากเถอะว่าเขามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าจริงๆเนี่ยนะเพราะเขาไม่ได้ติดอะไรไปจากพระพุทธศาสนาเลยแล้วนัยตตรงกันข้ามถ้ายิ่งปฏิเสธด้วยก็อนาคตจะเป็นแมงกระพุนอย่างคุณมุนมีว่าแล้นะี่ย มาดูอัธกถาปินโดระยะสูตรก่อนอสูตรนี้ตอนตอนเริ่มแรกเลยเป็นสูตรที่ปรารบถึงพระพุทธเจ้าไล่ภิกษุหนีจากออกจากวัดเลยไล่ไล่นี้เลยนั่นนะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วพระองค์ก็ยังไล่พระภิกษุออกจากวัดนั่นนะแต่ก็คือในกระบวนการสอนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นขั้นตอนการสอนอีกอย่างหนึ่งบางบางคนนี่ต้องไล่ก่อนแล้วจะได้ดีเพรางงั้น ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับไล่ภิกษุเหล่านี้ไปเพราะเหตุไรตอบว่า เ, าเรื่องมีอยู่ว่าภายในพรรษาหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่จําพรรษาในเมืองสาวัตถีออกพรรษาปวารณาแล้วก็แวดล้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีเที่ยวจาริกไปในชนบทก็เสด็จถึงเมืองกบิลพัทเนี่ยนะก็จาริกไปเรื่อยแล้วก็แวะเข้าไปยังเนโครทารามเนี่ยนะ เจ้าสักยะทั้งหลายได้สดับว่าพระศาสดาสเสด็จมาถึงหลังสเสวยพระกาห า, า น, นก็คือแสดงว่าอาจจะมาช่วงเที่ยงช่วงช่วงบ่ายช่วงค่ำเหมืะนะมาถึงตอนนี้ซึ่งไม่ใช่เวลาฉับนะรับสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายคือให้ทหารนี่หาบเนยใสย่น้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นและน้ำปานะที่เป็นกัปปิยะหลายร้อยหอบเนี่ย น, นะหอบไปเป็นหอบๆเลยนะสเสร็จ ก็เสด็จไปสู่วิหารมอบถวายพระสงฆ์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับนั่งทำปฏิสันถา์กับพระศาสดาณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งนะก็คือส่วนที่เป็นน้ําพึ่งน้ําอ้อยน้านะําปลาะก็ถวายพระฉันไปนะนะส่วนเจ้าสกยะก็สนทนากับพระพุทธเจ้าฝ่ายพระศาสดา ก, ก็ประทับนั่งตรัสธรรมกถาอันไพเราะถวายเจ้าสกยะเหล่านั้นก็แสดงธรรมให้เจ้าสกยะฟังนะ แสดงว่ายังไงโดยมากก็จะถามเริ่มต้นแ่าไงไม่ประมาทอยู่รือยังรักษาศีลอยู่หรือเนี่ยนะก็จะสนทนากันเนี้ยนะันคนที่รักษาศีลจะรักษาอุโบสถเป็นต้นก็จะชื่นชมแล้วก็โส ม, มนัตแล้วก็บางพวกที่มีปัญหาธรรมะอย่างไรก็ถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะแสดงให้ฟังเขาเหล่านั้นฟังแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สส ม, มนัต นี่ในขณะนั้นภิกษุบางพวกกำลังเช็ดถูเสนาสนะบางพวกกำลังจัดตั้งเตียงและต่างเป็นต้นส่วนสามเณรทั้งหลายก็ถากยาน่านะนะก็ดูแลบริเวณนะไปะจัดการเพราะว่าพระมาเยอะเนี่ยนะนะก็อย่างน้อยที่สุดนีห้าร้อรูปแหละตรงนั้นนะนะนะก็นับว่าโหคณะใหญ่มากนะในสถานที่แจกสิ่งของภิกษุที่มาถึงแล้วก็มีภิกษุที่ยังไม่มาถึงก็มีแค่ยอยเดินกันมานะเพราะห0ร้นี่ค่อยๆมาเรื่อยๆ ภิกษุที่มาถึงแล้วก็รับลาบแทนภิกษุที่ยังไม่มาถึงนะนะคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะก็คือคนที่รับทําบุญประเภทช่วยเหลือผู้อื่นคอยตักน้ําบาณะแจกหรือคอยแจกน้ําอ้อยคอยแจกน้ําพึ่งคอยแจกเนยใสยอะ่ะในผู้ที่มาถึงก็พูดเสียงดังขึ้นว่าจงให้แก่ข้าพเจ้านะนะให้ผมนะนะส่วนของผมอันนี้จงให้แก่อาจารย์ของข้าพเจา้าอาจารย์ของผมจะตามมาข้างหลังนะผมรับเผื่อผมด้วยนะเผื่ อ, ออาจารย์ด้วยเดี๋ยก็ รับให้อาจารย์บ้างรับให้อุปชาบ้างเสียงในดังสนั่นไม่หมดใช่หมไม่ต้องห่วงพระศาสดาทรงสดับแล้วก็ตรัสถามท่านท่านอนว่าอนนท์ก็พวกที่ส่งเสียงดังเอ็ดเอื่องนะ่เป็นใครคล้ายจะเป็นชาวประมงแย่งปลากันเนี่ยนะคือคือถ้าพูดถึงแบบโบราณหน่อยในสถานที่เขาซื้อขายปลากันเนี่ยนะ ไอ้พวกที่อยู่ในเรือเนี่ยที่ที่ได้ปลามาเยอะนะอาจจะยังเข้าฝั่งไม่ได้เพื่อที่อยู่บนฝั่งก็ตะโกนว่ามีปลาไหมข้างล่างก็ตะโกนตอบไปตอบมาเนี่ยนะก็ซื้อขายกันอนะ่ะลักษณะนี้เรียกว่าชาวประม ง, งแย่งปลานะแย่งซื้อแย่งขายกันอ่ะนะตลาดขายปลาชา้อๆว่านั้นอ่าพระนรนก็ทูลท่าอ่าทูลให้ทราบ พ, พระาศาสดาก็ทรงสดับแล้วตรัสว่าอา น, นุ์ ภิกษุทั้งหลายเนี่ยทรงเสียงดังเพราะอามิตรเป็นเหตุพระเถระกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะแต่ใช้ศัพท์นี่นะถ้าถ้าแปลมาเป็นไทยเนี่ยนะมันจะมันจะเป็นคําที่หนักมากแต่ถ้าฟังแบบบาลีนะบอกม่อามิตรนี่ไฟังเฉยเฉยนะแต่ถ้าฟังเป็นแปลเป็นอ่าแปลศัพท์อมิตรออกมาเป็นภาษาไทยนี่แปลว่าไงคุณนภาร์อืบอกว่าแย่งเหยื่อกันเห็นไหมอมิตรนี่แปลว่าเหยื่อหรือเครื่องล่อนะ ก็แปลว่าโอ้โหนี่ทะเลาะ ก, กันเรื่องเครื่องล่อเลยเนี่ยทะเลาะ ก, กันก็แย่งเหยื่อนะคล้ายปลาที่มันจะแย่งกันกินเบ็ดอย่างนั้ น, นลักษณะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าอนุนไม่สมควรเลยไม่เหมาะสมเลยเราต ถ, ถาคตบำเพ็ญบารมีมาตั้งสี่อสงไขยกำไรแสนกับเพราะจีวรเป็นต้นเป็นเหตุก็หาไม่ได้ไอ้ที่บาเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตั้งความปรารถนาเลยใช่ห ว่าจะเออจะได้แจกจีวอนให้พระพิสุกันหรือจะได้ให้มีจีวนมีน้ำตานะมีอาหารพระพิสุจะได้มาแย่งกันฉันแย่งกันใช้เนี่ยนะตั้งความปรารถนาไม่ได้ตั้งไว้แบบนี้เลยใช่ไหมตรงตั้งไว้ยังไงตั้งว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยนะข้ามด้วยอริยมรรคใช่ไหมก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยมรรคด้วย เราวิมุติหรือหลุดพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราสงบแล้วอ่ะจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราป ร, รินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นป ร, รินิพานด้วยแต่ว่านี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะไอ้ปรารถนาเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พระพิสูจน์เหล่านี้มาแย่งกันเรื่องจีวรอยงนั้นเถอะก็สมัยนี้ก็สงครามแย่งเป็นเจ้าวาดานนะาาอย่า ง, างจจานั้นนะเข็นขากันเองมันก็โหแย่งแย่งปัจใจสีเนี่ยนะซึ่งไม่เหมาะสมเลยเพราะงั้น อันนี้ในส่วนของพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อตั้งศาสนาหรือบำเพ็ญบารมีทั้งหมดมาไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่จุดประสงค์เดิมเหมือกิสษุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริคเป็นคนไม่มีเย่าไม่มีเรือนเนี่ยก็เพราะเหตุแห่งจีวรเป็นต้นก่อหามิได้พวกเธอนี่บวชเพราะความเป็นพระอรหันต์ตอนอน น, นเป็นเหตุ ที่แรกเลยนะที่เข้ามาบวชเนี่ยนะจะได้มาแย่งน้ําปานะกันฉันหรือเปล่านะตั้งใจว่าเออฉันบวชแล้วจะได้มีน้ำป้าน้ําปานะฉันโยมเขจะได้สายบาตรเขาจะได้กราบเราเราก็จะได้อยู่กุฏิแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะหรือจะได้ยาแบบนั้นฉันแบบนี้ฉันเออตอนเริ่มบวชก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะคิดแต่เรื่องว่าโอ้โหพุทธศาสนา น, นี่ดีเหลือเกนนินถ้าเราศึกษาประพฤติปฏิบัติตามนะนี่เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ถ้าเราอยู่เป็นคารวะมันแคบแคบจเจริญกุศลย่าง แต่พอบวชเข้ามาแล้วเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่กลับมาทําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีประโยชน์อันนี้นะคือส่วสาระจริงๆอ่ะคือการเจริญตรายศึกษาใช่ไหมทีนี้ถ้ามาทะเละาะกันหรือไม่แย่งกันในเรื่องวัตถุเหล่าเนี้มันจะเป็นตรายศึกษาอะไรสักข้อก็ไม่ใช่ทําสิ่งที่ไม่มีสาระให้เป็นเหมือนสิ่งที่มีสาระไปเถิดอนุนจงไปขับไล่พิสูจน์เหล่านั้นให้ออกไปนนีน้บอกว่าพระพุทธเจ้าประนามแล้วว่างกันเถอะไป นะถ้าเป็นเรานะครับพระพุทธเจ้าประนามไร่นี้วัดเนี่ยนะง่ายเลยนะทีนี้อกล่าวถึงในพระสูตรนะในข้อหนึ่งร้อยหกสิบห้าว่าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับไล่พิสุสง์ในเพราะเหตุเรื่องหนึ่งคือเรื่องอมิตรนี่แหละเรื่องศึกแย่งเหยื่อนี่แหละจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับศึกอะไรหรอกไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเพียงแต่ว่ามันเสียงดังโวยวายไปหมดเลยนะ ทะเลาะกันเรียว่าเสียงดังระงมหมดเพราะเรื่องชันนี่แหละนั้นเวลาเช้าทรงผ้าอันตรวาศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาตอย่างพระนครกบิลพัทครั้นแล้วในเวลาปัจ ช, ชาภัทเสด็จกลับจากบินทบาทเสด็จไปยังป่ามาหาวันเพื่อประทับพักในกลางวันอันนะั้คือคือตรงตรงเมืองกบิลพัทเนี่ยนะมันจะเป็น ป่าเถื่อเดียวกันกับติดกับเขาหิมพานเนี่ยนะไอ้เขาเขาสมัยนั้นนะมันจะเป็นป่าเถื่อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างพระพิสุตสมัยก่อนฉันเสร็จก็จะเข้าป่าไปเนี่ยนะก็จะเข้าป่าไปเพราะมันติดเถื่อเดียวนะถ้าเป็นเชียงใหม่เราก็จะเป็นติดเถื่อเขาในตลอดนะจะเป็นป่านั้นฉันเสร็จก็เข้าป่ากันไปพระองค์พอฉันเสร็จพระองค์ก็เข้าป่าประทับนั่งพักกลางวันนะโคนต้นมะตูมหนุ่มเนี่ยนะแสดงว่าต้นมะตูมต้นกําลังรุ่นเลยนะใบดกครึ้ม ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับ น, นะคือคือหลีกเร้นก่อนอยู่ในที่ลับ น, นะใช้คำว่าหลีกเร้นนี่แปลว่าอะไรพะองไปนั่งทำอะไรหลีกเร้นเข้าอารหัตตะผลสมาบัตินะ น, นะโดยมากนะเข้าอารหัตตะผลสมาบัติพอออกจากอารหัตตะผลสมาบัติแล้วก็จะพิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เฉพาะตรงนี้พระองค์ก็มา ปริวิตกคือเอาเรื่องของที่พระองค์เนี่ยประนามภิกษุสงฆ์เนี่ยมาตรึกว่าเราแลได้ขับไล่ภิกษุสงฆ์ให้ไปแล้วในภิกษุสงฆ์เหล่านี้พวกภิกษุใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราต้องว้าเวใจคงเปลี่ยนแปลงจิตเหมือนลูกโคนน้อยนนะเมื่อไม่เห็นแม่ก็ต้องว้าเวใจคงเปลี่ยนแปลงจิตฉะนั้นนนะะ และเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนๆไม่ได้น้ำเพิ่งมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราถ่ากระไรเราเพิง่งอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่ได้อนุเคราะห์มาแล้วในก่อนๆฉะนั้นเถิดก็ปารกนะน ะ, ะคือข้อความตรงนี้นะเหมือนถ้าใครที่ศึกษาธรรมะไม่ดีเหมือนกับว่าพระพุทธจเจ้าทาอะไรไม่ยังคิดะนะ เมื่อวานเนี่ยไล่พระภิกษุให้หนีนไปคือคือพูดถึงเมื่อวานเย็นๆนะ่ะนะก็ไล่พระภิกษุให้หนีไปอยู่มาค่ําคืนเช้าไปบิณทบาทบินทบาทฉันเสร็จไปอยู่ในปา่าไปอยู่ในปา่าเข้าพระละสมาบาทออกจากพระละสมาบาทแล้วมาคิดเออในเราในไล่ภิกษุสงไปนะนี่ถ้าไล่ไปอย่างเนี้ยภิกษุสง์ก็อาจจะไปแปรเป็นอื่นไปบางพวกนี่ก็เลิกเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบางพวกศึกหาลาเพศหรือหันไปนับถือลัทธิอื่น มันเขาเหล่านั้นยังใหม่อยู่ก็เหมือนกับลูกโคลอ่ อ, อนๆหรือเหมือนพืชอ่อนๆถ้าไม่ได้รับการอนุเคราะห์ก็เสียหายนัยนะเหมือนกับว่าพึ่งอยู่ๆแล้วมาคิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่พระองค์เล็งไว้ก่อนหน้านี้หมดแล้วว่าเรื่องจะ ต, ต้องเป็นไปในลักษณะนี้ถ้าไม่เป็นไปในลักษณะนี้การฝึกพระพิสุสงฆ์เนี่ยจะสําเร็จไม่ได้นันะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าฝึกอย่างหนักมากานะนั่นพวกนี้ใช้เรียกว่าพระพุทธเจ้าฝึกสามประเภทใช่ไหม หนึ่งฝึกอย่างอ่อนนุ่มอารุ่มอลรวยเห น, นเถอะสองอย่างหนักอย่างที่สามก็คละเคล้ากันไปอันนี้ก็แสดงแบบฝึกอย่างหนักมา ก, ก น, นะนทีนี้พอพระ อ, องค์ตรึกอย่างนี้เท้าสามบดีพรหมได้ทราบพระปริวิตกของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้วก็หายไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับบุรุษมีกาลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น าจากพรหมโลกมาหามนุษย์โลกนี่นะเยียดคู่แขนเนี่ยนะคนมีกำลังนะไม่ใช่คนเอามาพลึกค่อยเยียดนะเอาแบบมีกำลังวแบแป๊บเดียวเนี่ยถึงละถามว่าสามบดีพรหมคนนี้ก็คืออดีตของสหกะพิษุเนี่ยนะในพิสุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุปเป็นพระอนาคามีเกิดเป็นพรหมแล้วก็เป็นท่านเดียวกันน่ะที่อาราธนาให้พระพุทธเจ้า แสดงทำรรในครัง้งแรกกันนะตอนตอนที่พระพุทธเจ้าสํานวนว่าทอพระไทยเนี่ยนะว่าธรรมะลึกซึ้งเหลือเกินหมูสัตว์นี่ติดในในกามเนี่ยนะถ้าหากว่าเราสอนแล้วเขาไม่รู้เรื่องจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าของเราเนี่ยพรหมคนนี้แหละเป็นหัวหน้าพาพรหมทั้งหมดมาราธนา น, นะนะเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยเขาถ้าเกิดเห็นว่าเออพระพุทธเจ้าจะเลิกสอนนะเขาจะมาแล้วเขจะมาคล้ายๆว่าเป็นกองเชียร์ให้พระพุทธเจ้าสอนตลอดจะต่างจากพญามาน พยามานก็บอกได้เวลานิพพานแล้วพอแล้วเพราะฉะนั้นพ้แล้วก็อย่าไปเดือดร้อนช่วยคนอื่นเลยมันลำบากเหน็ดเหนื่อยเปลา่าอะไรเงี้ยนะเขาจะตรงกันข้ามกันลำดับนั้นแลเท้าสามบดีพรมทําผ้าอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งแล้วประนมมือกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สงขับไล่ภิกษุสงฆ์ไปแล้วในภิกษุสงฆ์เหล่านี้พวกภิกษุที่ยังใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้มีอยู่เมื่อภิกษุสงฆ์เหล่านั้นไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องว้าวใจคงเปลี่ยนแปลงจิตเหมือนกับลูกโคลน้อยเมื่อไม่เห็นแม่ก็ต้องว้าวใจคงเปลี่ยนแปลงจิตฉะนั้นเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนเมื่อไม่ได้น้ำเพิ่งถึงความ ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นพระเจ้าค้าน่นนะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงชื่นชมกะพิกษุสง์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพร่ำสอนภิกษุสง์จงอนุเคราะห์ภิกษุสง์ในบัดนี้เหมือนกับที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วแต่ก่อนก่อนฉะนั้นเถิดนั น, นะพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับอาราธนาโดยดุษเนียภาพนั่นนะรับแบบนิ่งๆ น, น, น, นะแต่ใช้คําว่าอนุเคราะห์นะ นี่ถ้าดูคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งน้าสองหนึ่งสว่าบทว่าอนุขหิโตความว่าได้รับการอนุเคราะห์แล้วด้วยอนุเคราะห์คือด้วยอมิตรและอนุเคราะห์ด้วยธรรมะอนุเคราะห์สองอย่างนะอนุเคราะห์ด้วยอมิตรกับธรรมะบทว่าอนุคันหายังความว่าเราตถาคตพึงอนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์ด้วยอมิตรและ การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะทั้งสองอย่างนั้น น, นะเพราะว่าสมมเนนและภิกษุหนุ่มผู้บวชใหม่เมื่อมีความขาดแคลนด้วยปัจจัยมีจีวรเป็นต้นหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นพระศาสดา ห, หรืออุปชาอาจารย์ยังไม่ได้อนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์ด้วยอมิตรก็จะลำบากไม่สา ม, มารถทําการสาธยายหรือสายใจถึงธรรมะได้ คือไม่สามารถจะมาเรียนผู้พุทธพจน์จำพุทธพจน์ท่องผู้พุทธพจน์ตรึกผู้พุทธพจน์เจริญปฏิบัติตามคำสอนนี่ก็ไม่ไม่สามารถทำได้ใช่ไถ้าขาดแคลนด้วยจีวรเ น, นี่ยนะถ้าขาดแคลนด้วยอาหารถ้าขาดแคลนด้วยป่วยไข้ก็ไม่มีคนดูแลครูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครสนใจเลยนะท่านเหล่านี้ก็จะเดือดร้อนนะโดยมากก็บังองค์ก็น้อยใจหาปจาัจจัย4ไม่ได้ก็สขาราเพศไปก็มีนนะ น, นี้เรียกว่าผู้ที่ขาดแคลนในด้านอามิตรเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็จะต้องอนุเคราะห์เธอเหล่านั้นอันภาษาสดาหรืออุปชาอาจารย์ยังไม่ได้อนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์ธรรมะเนี่ยนะคือธรรมะสงเคราะห์เอางั้นเถอะก็จะเสื่อมจากอุเทศและโอวาทอนุสาสนีคือการแนะนําพร่มสอนอุเทศนี่หมายถึงการมาเรียนมาท่องมาสาธยายอนุสาสนีก็คือการให้โอวาทการแนะนำตักเตือนอนะถึงกิจ หน้าที่ของนักบวชทั้งหลายเป็นต้นก็พอไม่ได้รับอุเทศและโอวาดอนุสาสนีก็ไม่สามารถจะหลีกเว้นอกกุศลมาเจริญกุศลได้นะนะละอกุศลก็ไม่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นแก่ยังไงก็ไม่เป็นถ้าเป็นอบัติแก่ยังไงก็ไม่เป็นอกุศลแจิตเกิดขึ้นแก่ยังไงก็ไม่เป็นสมถะวิปัสนาเจริญยังไงก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็ละอกุศลไม่ได้เจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้เพราะถือว่าขาดการ สงเคราะห์สองอย่างเนี่ยนะคือไม่ได้รับการสงเคราะห์ทั้งอมิตรและธรรมะเนี่ยนะมันก็จะเดือดร้อนแต่เธอเหล่านั้นได้รับการอนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์ทั้งสองนี้แล้วก็จะไม่ลำบากกายประพฤติในการสาธยายและใส่ใจเนี่ยนะก็คือโยนิโสนะสาธยายด้วยโยนิโสด้วยเนี่ยนะก็สาธยายกับโยนิโสก็สลับคลา้คลากๆกันไปเพราะสมณะกิจก็มีอย่างนี้นะนะคือสาธยายพุทธพจน์กับการใส่ใจพุทธพจน์ใส่ใจก็มาจากอะไร ก็โยนิสมมนัิการนั่นเองนี่งพอถ้าใสา่ใจก็ปฏิบัติตามที่พระศาสดาหรืออุปชาอาจารย์พร่ำสอนอยู่ต่อมาแม้ไม่ได้รับการอนุเคราะนั้นก็ยังได้กำลังเพราะการอนุเคราะห์ครั้งแรกนั่นแหลททำให้มั่นคงอยู่ในศาสนาได้ นแรกๆก็ต้องอาจได้รับการอนุเคราะห์ก่อนใช่ไหมแต่อยังบวชใหม่มาบวชพรรษาสองพรษายังช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลยไม่รู้กิจไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะหรือถ้าไม่อนุเคราะห์จนถึงพรรษาหาที่จะให้ถือนิสัยอะไรได้เนี่ยท่านเหล่านั้นก็อยู่ยากแต่ถ้าหากว่าได้เช่นอยู่ได้ถึงห้าพรรษาศึกษาธรรมวินัยเป็นอย่างดีทีนี้ครูบาอาจารย์ไม่สงเคราะห์ท่านก็อยู่ของท่านได้แล้วเนี่ยนะท่างก็ช่วยเหลือตัวเองได้ การอนุเคราะห์นี่ก็นับว่าสําคัญมากผู้ที่ไม่อย่างว่าให้ตรงๆอย่างนักบวชในยุคนี้จะไม่ค่อยได้รับการสงเคราะห์ะสองอย่างนี้เลยเนี่ยนะสงเคราะห์อมิตรเนี่ยนะอย่างบวชเข้ามาแล้วหลายๆแห่งเนี่ยท่านจะอยู่ยังไงฉันยังไงเนี่ยนะไม่มีรู้เลยเนี่ยนะบางวัดเนี่ยคือพระเยอะเนนเยอะเนี่ยนะบวชเข้ามาเนี่ยบวชมา50อย่างเงี้ยนะแต่และองค์ไปอยู่ยังไงฉันยังไงท่านอาจารย์ก็ไม่รู้อุปชาก็ไม่รู้หรือบางทีก็ พอไม่รู้ก็ไม่พอแล้วไปเรียนอะไรไปสอนอะไรไปอะไรอย่างไงก็ไม่มีนะนพอไม่มีเข้าเป็นยังไงนะนะก็ผลก็อย่างที่เห็นเห็นนี่แหละมันก็ไม่ได้รับการอ น, นุเคราะห์สองอย่างลําดับนั้นแลในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่พักผ่อนแล้วเสด็จไปยังนิโครธารามนะนิโครธนี้แปลว่าต้นไทรนะ อารามต้นไซก็คือวัดไซอ่ะนะวัดไซอ่ะวัดต้นไซอ่ะนะคือในสวนเนี่ยต้นไซเยอะเนี่ยนะเจ้าของก็ชื่อนิครอ ด, ด้วยเนี่ยนะ <c oughs> แล้วประทับนั่งบนที่เขาปูไว้แล้วเนี่ยนะครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรดาด้วยอิทธา พ, พิสังขารให้พิสุเหล่านั้นอะเกรงกลัวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับทีลรูปบ้างสองรูปบ้างอันนั้ก็ คือทําให้ป่ามันน่ากลัวหมดเลยนะแต่ละแห่งมันไม่น่าอยู่หมดเลยให้คิดถึงพระพุทธเจ้านะค่อยๆมาทีละองค์สององค์เข้ามาเฝ้ า, าถามว่าทําไมต้องให้มาทีละองค์สององค์ก็บอกว่าเพราะว่าถ้ามาพร้อมกันหมดนะที่สูเหล่านั้นบอกเห็นไหมพระพุทธเจ้าแน่ไม่จริงเนี่ยท <laughs> ิ้งพวกเราไม่ได้เห็นไหมอย่างนี้นะ ก็พวกนั้นก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรอีกเพราะฉะนั้นก็จะให้มาทีละคนสองคนนะนะคิดดูนะใช้วิธีฝึก น, น, นพะพระพระมหากรุณาของพระองค์เนี่ยที่ฝึกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใช้วิธีฝึกตั้งหลายวิธีบางช่วงที่ต้องใช้ฤทธ์ก็ต้องใช้ฤทธ์บางช่วงต้องใช้วาจาก็าใช้วาจาเนี่ยนะบางช่วงต้องไปอยู่ป่าซะก่อนแล้วค่อยสอนเข้าได้ก็ต้องทำนะคือคือในในทุกๆวิถีทางเนี่ยนะครั้นแล้ว พิสูจเหล่านั้นนะนะต่างก็ถวายบังคมแล้วก็นั่งลงณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพิสูจเหล่านั้นนั่งลงเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็ตรัสพระพุทธวจนะว่าคือก่อนที่พระองค์จะตรัสนะพระองค์ก็เห็นเนะ่ยพิกษุที่มาทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยห้าร้อยรูปเนี่ยนะอย่างน้อยนะนั่งนิ่งหมดเงียบหมดเนี่ยนะเงียบกริบหมดเสร็จแล้วพระองค์ก็พิจารณาธรรมะเป็นที่สบายอ่างั้นเถอะธรรมกถาอะไรหนอเป็นเป็นสปายะแก่ ภิกษุเหล่านั้นเนีย่ยนะคือสําคัญมากแล้วว่าถ้าศึกษาพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอัตถกถาหรือดีกาเป็นต้นให้ความสําคัญนะหนึ่งเรื่องสปายะ2เรื่องปรับ C, อินทรีย์เนี่ยนะเรื่องปรับอินทรีย์กับเรื่องสปายะเนี่ยสำคัญมากเพราะบางอย่างเนี่ยต้องหาสัปายะก่อนแล้วพระองค์จึงสอนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องดูอินทรีย์ของเขาอีกทีแล้วพระองค์จึงสอนอันอย่างตรงนี้พระองค์ก็ตรวจ ด, ดูธรรมะอะไรเนอเป็นที่สปายะของภิกษุเหล่านั้นเนีย่ยนะ ต่างจากของเรามากเลยนะของเราเนี่ยมาถึงมีเรื่องและจะต้องเรียนเรื่องนี้ น, นะอย่างพระพุทธเจ้าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าสมัยนั้นนะพระ อ, องค์ตรวจดูว่าอันนะั้นถ้าจะตรวจเลยนะในบริษัทเนี่จะมีบรรลุหรือไม่อันนี้อันี่นี่คือประเด็นแรกที่ตรวจคไปแล้วบรรลุเนี่ยบรรลุกี่คนบรรลุได้ถึงมรรคไหนบ้างแล้วก็ตรวจต่อไปว่าจริตของเขาเป็นยังไงเนี่ยนะแล้วเขาเคยสะสมธรรมะกลุ่มไหนในอดีตการมาบ้า ง, างนะนะ ถ้าเขาจับบรรลุแล้วเขาจริตยังไงแล้วแบ่งเป็นกี่กลุ่มแล้วก็พระองค์ค่อยสอนออกไปเนี่ยนะพอสอนก็จะมีผลคือการตรัสรู้ธรรมคือเช็คได้นะหมายว่าหมอก่อนจะยาเขาตรวจสอบเบ็ดเสร็จหมดแล้วก็ให้ยาเนี่ยนะแล้วประกันคุณภาพว่าหายของเราก็ใช้ใช้แห่ก็ใช้สมก็<笑><笑> <g ül> แต่ว่าสมแบบมีหลักหน่อยนะถ้าเอาพระไตรปิกมากลางว่านะดีที่สุด อนนี้ก็พระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี่ประนามหรือไล่พระพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นไปเพราะเหตุแห่งเรื่องอาหารหรือเรื่องก้อนเข้าเรื่องชันนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะสอนหรือจะเทศก็เทศเรื่องเรื่องชันนะีนะว่าดูก่อนพระพสุททั้งหลายข้อเลวสามของการเลี้ยงชีพทั้งหลายก็คือการแสวงหาบินธบาทบินธบาตทนี่แปลว่าเที่ยวหาก้อนเข่านะอย่างบินธบาทบินธบาทเนี่ยแปลว่าก้อนนะก้อนที่มันตกลงไปในนั้นน่ะนะ ภิกษุทั้งหลายหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าได้รับคำแช่งหรือคำด่านในโลกเป็นผู้มีมือถือบาทเนี่ยเที่ยวแสวงหาบินทบาทอันนี้คือแปลแบบสำนวนไทยแล้วนะแต่ถ้าพูดสำนวนแบบสมัยพุทธกาลเลยก็ต้องแปลว่าอาชีพที่ที่เลวที่สุดว่า ง, งั้นเถอะต่ำที่สุดคืออาชีพขอทานว่า ง, งั้น ถ้าใครจะด่ากันเนี่ยนะถ้าใครจะด่ากันก็จะด่าว่าไปขอทานกินใช่ไหมถ้าใครขี้เกียจหรืออะไรนะเขาก็จะด่ากันว่าไปขอทานหรือบางคนก็ถ้าคนแบบแหมเจ้านี่ทําตัวไม่ดีอย่างเงี้ยขอทานกินไปเถอะหรือว่าเอ๊ะไม่น่าขอทานกินเลยนะอย่างพระพิสูจน์เนี่ยก็อวัยวะร่างกายก็ไม่น่าจะต้องมาขอทานกินนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อข้อเลี้ยงชีพในโลกนี้ที่เลวที่สุดเนี่ยต่ำที่สุดคือขอทานอ่างนั้นเะ คอยคอยเก็บอาหารที่เขาให้มาเนี่ยก็อยากให้ก็ให้เขาไม่อยากให้ก็ไม่ให้นั้นเขาจะด่าเขาจะแช่งกันสมัยโน้นนะสมัยนี้ก็ก็ไม่เบาเหมือนกันเนี่ยนะอย่างที่พระรูปหนึ่งบอกว่าบอกทังนขี้เกียจมากก็ไปบวชเป็นตุ้ไปประมาณ น, นั้นนะ่นะมันก็แสดงว่า <c oughs> เขาก็ไม่ได้ชื่นชมมากนะักรช่การที่แสวงห า, าหาบิณฑบาตหรือการบิณฑบาตนี่ถือว่าเป็นเป็นความ เลวซามหรือต่ำซามที่สุดในโลกเหมือนกัเป็นอาชีพที่ต่ําที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็เป็นเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกอีกเหมือนกันอันนถ้าถ้าขอตามหลักธรรมวินยัยเนี่ยนะถ้าขออย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําคือไปไปยืนให้เขาเห็นเนี่ยนะก็ไม่ได้เอ่ยอะไร